เราก็ได้สวดอนตัตตลัคณะ ส, สูตรนะแสงพระสูตรที่สองที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเทศนาไว้นะสวดไปแล้วรู้สึกอย่างไรสนุกนึกซึ้งหรือว่าเฉยเฉยหรือว่ามันรู้สึก ละเอียดยากเหลือเกินก็แล้วแต่เนาะแต่จำได้ตอนสวดใหม่ๆเนาะรู้สึกว่าทำนองมันคล้ายๆมันมันตื่นตัวดีเนาะคล้ายๆทำนองมันมีจังหวะจากโคนหรือว่าคำมันคล้ายๆปลุกให้สวดเรารู้สึกสนุกดี แต่ถ้าเราดูพิจารณาในส่วนของเนื้อหาก็ยิ่งแบบอืมยกว่าท่านลงรายละเอียดเนาะลงรายละเอียดในเรื่องของของขันทั้งห้าะอะไรเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะที่จริงก็คือพระวิชาท่านสดุกให้เราเห็นว่าที่จริงการศึกษานะในในเรื่องของธรรมะนี่ ว่าดโดยย่อคือศึกษาลงมาที่ขันทั้งห้านี่แหละนะขันทั้งห้ามันเป็นตัวทุก inte, ขันทั้งห้ามันเป็นตัวไม่เที่ยงขันทั้งห้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนี่ขันว่าดโดยย่อให้เราเห็นตรงนี้แหละนะแต่ที่จริงรูปไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง เวานาไม่เที่ยม น, นะมันมันก็เป็นของมันแบบนั้นหรือว่ามันเป็นตัวทุกข์สิ่งสำคัญจริงๆก็คือเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราหน่อยถ้าเราไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราแล้วมันก็ไม่ทุกข์จะเรียกว่าลูกมันเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึด ก็ไม่มีผู้ทุกเนมันก็มีแต่อาการอาการที่มันทุกอาการที่มันไม่เที่ยงอาการที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองนะแต่ถ้าเราไม่ไปยึดถือว่ารูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของเรานะมันก็ไม่เกิดเป็นตัวเป็นตนนะไม่เกิดเรียกว่าอุปาทานนะอุปาทานคือการ ยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อเกิดอุปทานมันก็จะเกิดการสร้างสร้างภพสร้างชาตินะแล้วก็เกิดเป็นการเป็นความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจนะี่อันนี้คือประเด็นที่สำคัญเลยเนาะนะพระเจ้าท่านย้ำให้เราเห็นนี่แหละนะเมื่อไรที่มันเกิดนะอุปทานนะเกิดความยึดมั่นถือมั่นตอนนั้นแหละมันจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นความทุกข์ใจ แต่ถ้าเรามาถลุงย่อยอย่างเนนะี้ยจริงๆด้วยปัญญานะเนี่ยเมื่อสิ่งใดมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนควรหรือที่เราจะยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะถ้าเราเห็นด้วยปัญญาก็จะอืมมันก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนาะเหมือนเราถ้าเราพิจารณาช่วงนี้จริงๆเนาะมันก็ อย่างในสายงานหลวงพ่อเทียนก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ค่อยๆเรียกว่าละสังขาญไปเรื่อยเนาะหลวงพ่อเทียนท่านก็ละสังขานเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อ27ปีที่แล้วหลวงพ่อคำเขียนก็เดือนสิงหาปีที่แล้วเมื่อช่วง ปีนี้น่ะต้องประมาณต้นต้ๆกลางๆปีก็หลวงพ่อสงคามก็เสียเมื่อไม่นานนี้หลวงพ่อณรงค์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่คนหนาเคารพนับถือในสายงานหลวงพ่อเทียนท่านก็ก็รั้สังขานไปนอย่างหาลวงพ่อณรงค์เองก็บางท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักท่านเนาะแต่ที่จริง ท่านก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคังเขียนโดยตรงรูปหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าท่านก็มาอยู่กับหลวงพ่อนะตอนนั้นก็มีปัญหาหลายอย่างนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวเองที่ป่วยหนักมากนหลวงพ่อคังเขียนก็ถือว่าบวชไปเลยนะคล้ายๆท่านจามกิตเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนบวช แบบโสตายไปเลยนะมันจะโรคภัยไข้เจ็บก็มีอยู่เยอะแหละแต่จะบวชก็เลยนะอาศัยการภาวนาอาศัยบุญกศุศลที่ได้จากการบวชนี่แหละด้วยนะช่วยบรรเทาความทุกข์ของโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยนะหรือว่าถือโอกาสเราก็ไม่รู้ชีวิตมันจะเหลืออีกกี่ปีเนาะเพราะว่าป่วยหนักนะกบวชก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่มากขึ้น หลวงพ่ณรงท่านก็บวชนะน่าจะร่วมยี่สิบเจ็นพรรษเห็นยี่สิบเก้านะร่วมเกือบสามสิบปีนะแล้วก็ตั้งใจบวชอยู่ที่สุกโตอยู่ที่ภูหลงนะร่วมสามปีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยแล้วก็อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละเป็นทั้งถึง ถึงวันที่สี่นะอืเรียกว่าตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็ในชีวิตขณะที่บวชเนี่ยท่านก็เป็นพระรูปหนึ่งที่เรียกว่าอาพาธเนี่ยคือมีความอาพาธเป็นเพื่อนมีโรคภัยได้เจ็บนะอยู่เป็นเพื่อนเหมือนปีที่แล้วได้ไปได้ไปพบท่านที่โรงพยาบาลศรีนครินท่านก็บอกว่าท่าน มีโรคสิบเอ็ดโรค <c oughs> โรคหลายอย่างนะโรคที่ร้ายหน่อยก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็สิบเอ็ดโรค ก, ก็อะไรบ้างก็เป็นโรคที่มันพุงพ่งๆกันเนา ะ, ะ, ะคืออยู่กับโรคไัยไข้เจ็บนะก็อาศัยโรคภัย้เจ็บเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นครูสอนนะอพอเรามีโรคไัยไข้เจ็บมันก็เป็นครูเตือนเราเรื่อง สังขารไม่เที่ยงเนาะต่างโดยตอนที่เรายังแข็งแรงเช่นตอนที่เราช่วงวัยเด็กหรือช่วงวัยหนุ่มวัยสาวเนาะสุขภาพมันมันแข็งแรงนะเราก็จะรู้สึกว่าออร่างกายนี่มันแข็งแรงดีเนาะนะนะมันใช้งานได้ดีหรือว่าเราคงไม่ไม่แก่ ง, ง่ายๆหรอกคงไม่ใกล้จะตายหรอกนะ มันก็ชวนให้เราเกิดความประมาทเหมือนกันนะเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายนี้มันมันแข็งแรงหรือว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกนานแต่พอเราอายุมากขึ้นร่างกายมันก็แสดงความไม่เที่ยงร่างกายก็แสดงความเป็นทุกข์เริ่มมีโรคประจำตัวหรือโรคเริ่มมีโรค จรเขามาเป็นบางขณะบ้างเนี่ยมันก็ดีนะมันดีทำให้เราเตือนเตือนตัวเราเองว่าร่างกายมันมันกาลังอยู่ในช่วงคาลงเนาะมันกาลังอยู่ในช่วงที่กาลังเสื่อมนะนั่นแหละักวันหนึ่งเราก็คงเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เนาะที่ร่างกายก็ต้องแก่ก็ต้อง เจ็บหนักนะสุดท้ายก็ก็เสียไปนะแต่การที่เราได้เห็นแบบนี้เนาะเห็นครูบาอาจารย์ค่อยๆไปนะหรืออย่างเราอยู่ตรงนี้ก็อาจจะใกล้นะได้เห็นอาจารย์กําพลน ะ, นะที่ก็ก็เรียกว่านับวันรอก็ได้เนาะแต่จริงท่านก็ไม่ได้อยู่แบบนับวันรอว่า เมื่อใดจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะแต่ประมาณว่าก็ใช้ชีวิตแต่ละวันให้ให้มันเต็มที่นะมันจะตายเมื่อไหรก่ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้กังวลถึงชีวิตในวันที่จะตายหรือไม่ได้กังวลถึงชีวิตหลังการตายนะดนี้ยถ้าเราปฏิบัติทำดีๆเนาะ มันจะทำให้เราตัดความกังวลนนะเพราะส่วนใหญ่คนกังวล น, นะก็คือกังวลและกลัวว่าถ้าเราเจ็บหนักนะจิตใจเราจะเป็นแบบไหนน้อนะเราจะไหวหรือเปล่านะถ้าเราเคยเห็นคนป่วยหนักๆเนาะเราก็จะเห็นเขามีความทรมารทั้งด้านร่างกายมากนะ แต่การทำมาทําด้านร่างกายสมัยนี้เนาะก็ยังมียาบรรเทาอาการอาการปวดอาการเหนื่อยอะไรก็ยังพอมีอยู่บ้างนะแต่การบรรเทาอาการความเอความกังวลใจความทุกข์ใจเนี่ยยาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเพียงแค่เหมือน มัอนระ ง, งับหรือทําให้มันเบลอเฉยแต่มันไม่ใช่เป็นยาแก้นะ่ไม่ใช่ยาบรรเทาด้วยมันเหมือนเป็นกะเป็นยาที่แค่คมอารมณ์เฉยๆนั้นยาทางกายในการบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีมีมากขึ้นหรือว่าหมอเองก็ใช้มากขึ้นแล้วแต่เราก็เห็นคนป่วยคนเจ็บอีกหลายคนที่เขาก็ทุกข์ใจนะ มากกว่าทุกกายนะหรือทุกกายก็มากนะทุกใจก็มากเนะเรื่องของใจเนี่ยเป็นจึงเป็นเรื่องที่ที่สำคัญอย่างมากนะถ้าเราปล่อยให้วันเวลาที่มันผ่านไปโดยที่ทำผิดทำาลาดไปบ่อยนะหรือว่าไปเกิดนะพันทักทางใจ เยอะๆเนาะจิตมันก็จะเกิดความห่วงแหนหรือว่าเกิดความกังวลใจนะในตอนที่ป่วยหนักๆหรือว่าในตอนที่รู้ว่าตัวเองใกล้จะตายเพราะว่าความห่วงนะห่วงความห่วงความอะไรต่างๆมันก็จะเป็นเครื่องเครื่องโน้มหรือว่าเครื่องดึงนะ ให้จิตมันเกิดความทุกข์ใจนั้นที่จริงถ้าเราควรที่จะแบบคล้ายๆทำตัวให้เหมือนปล่อยวางไปทุกวันทุกวันเลยนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ทำด้วยความอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันทำแล้วก็ผ่านทำแล้วก็ผ่านทำดีก็ผ่าน ทำไม่ดีก็ผ่านนะทำดีแล้วบางคนไปยึดติดนะก็ก็ถือว่าทุกข์เหมือนกันนะเคยได้ยินอาจารย์รูปหนึ่งนะท่านเล่าท่านเล่าเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจดีนะท่านบอกว่าเป็นเรื่องของการให้นะท่านก็เล่าตัวอย่างหนึ่งว่ามีพระอยู่สองรูปนะท่านก็ นั่งสนทนาทำกันเยอะนะถ้าก็นั่งพูดกันไม่รู้พูดอะไรถ้าก็นั่งคุยกันเยอะก็มีโยมคนหนึ่งนะก็เป็นโยมผู้ชายค่อยๆทานเข่าเข้าไปนะแล้วก็ถือซองปัจจัยนะเอาไปถวายให้กับพระนะพอพระท่านรับเสร็จนะท่านคว้างทิ้งเลยท่านควางทิ้งลนะ ง, ง, ต, งต่อหน้ากันนะ โยมคนนั้นก็ตกใจเหมือนกันในใจก็คิดว่าทําไมพระ ท, ท่านท่านทําแบบนี้น่ีนพอท่านคว้างเสร็จท่านก็กลับไปคุยกับพระที่กำลังพูดคุยกันใหม่ะโยมก็นั่งเออๆอยู่ตรงนั้นแหละทํำอะไรไม่ถูกไม่เคยเจอเนาะไม่เคยเจอแต่พอพระรับซองแล้วก็น อนโมทนานะให้พรนะโยมก็กลับไปใด้ความสุขความปลื้มใจนะแต่พอพระรูปนี้ท่านคว้างสองทิ้งนะโยมก็แบบอึ้งอยู่ในใจก็คิดหลายอย่างในจิตในใจคิดยังไม่ตกนะพักๆหนึ่งพระท่านก็หันกลับมาหันกับมาถามอาออ๋อกลงนิยมจะ โยมจะให้หรือโยมจะเอาเนี่ย <c> โ <oughs> ยมคนนั้นก็ยิงแบบหนักไปใหญ่เลยอะไรเมื่อกี้ยังคว้างทิ้งตอนนี้ก็มาถามแบบเหมือนจะเอาเรื่องหรือเปล่าเลยบอกตรงโยมจะให้หรือโยมจะเอาแต่พอโยมคนนั้นนะเขาเขาก็คงเคยฝึกมาบ้าง น, นะจากที่อึ้งๆหรือว่าจากที่งงๆจากที่ไม่พอใจก็ พอพระท่านถานว่าเออตระองค์จะให้หรือจะเอาเนี่ยมากลับมาย้อนย้อนภาพว่าซองที่เราใส่ใส่ปัจจัยเข้าไปถวายพระพระท่านก็รับกับมือแล้วแต่ก่อนนั้นมันก็เป็นของของเราเนาะแต่พอเราให้ท่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นของของท่านแล้วไอ้ที่ท่านว่างทิ้งนั้นน่ะ มันเป็นของของท่านนะไม่ใช่ของของเรานะแต่เราเอง่ะไปยึดว่ามันยังเป็นของเราอยู่เราให้แต่เราไม่ได้ให้ไปจริงๆเรายังมีความยึดว่าไอ้ที่เราให้ยังเป็นของของเราอยู่มันก็เลยแบบเกิดความไม่พอใจหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจที่ท่านคว้างซองของเราทิ้งแต่พอ ท่านเขาก็มาพิจารณาจริงเอ๊ะไอ้ที่ไอ้ที่กว้างทิ้งน่ะมันเป็นของพระนะอืมมันเป็นของพระแล้วท่านจะทำอะไรกับของนั้นก็ได้นี่แต่เราเองกลับไปคิดต้นเป็นของของเราอยู่ที่เราให้ท่านพอจิตพอจิตเนี่ยมันเริ่มคิดได้แบบนั้นนะถ้าท่านก็คงสังเกตเห็นนะท่านบออ่ะโยมพร้อมที่จะให้ละ ไปหยิบมาใหม่นะมาถวายให้มาถวา ย, าวายดีๆมาประเคนให้จริงๆ <c oughs> นี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างนึ่งนะบางทีบางคนแล้ว่าเราทำดีว่าเราให้อะไรไปเนี่ยบางทีมันยังมีเยื่อใหญ่ว่าเราเป็นผู้ให้เอะนะหรือว่ายังเป็นของของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่า เป็นความช่วยเหลือเป็นเตนาดีอะไรก็แล้วแต่นะมันให้แล้วมันไม่ขาดนะเรายัางรู้สึกว่ายัางมีตัวเราเข้าไปอยู่ในวัตถุสิ่งของหรือว่าในในการกระทำนั้นๆอยู่นะนะแต่ถ้าเราพิจารณดีเราให้เสร็จมันก็มันก็จบตรงนั้นละนะเขาจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาละนะเราก็เพียงแค่รับรูนะ้อะ เขาไปเอาไปทําดีต่อแล้วก็อนุโมธนานะเขาไปทําไม่ดีแล้วก็เพียงแค่อุเบกขาไว้ในใจนะอันนี้คือมันก็จบเป็นช่วงๆไปนะนะแต่ก็อย่างว่ามันก็สามารถทําเหตุอื่นต่ออีกก็ได้นะทําเหตุใหม่ต่อก็ได้เนะช่นเราช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วเราช่วยเหลือเขาไปจบเขาก็ยังไม่สามารถที่จะ พึ่งพาได้เราก็ช่วยเหลือเขาอีกมันก็เป็นทีละครั้งทีละขณะไปะเหมือนเราไม่สบายวันนี้กินยานไม่หายก็ต้องกินใหม่ไปเรื่อยๆหรือเปลี่ยนยาใหม่ไปเรื่อยๆการกระทํานั้นๆของเราก็เหมือนกันนะเราก็ทําไม่เป็นทีละขณะทีละขณะทีละขณ ะ, ะไม่ว่าเราจะทําดีเนี่ยแหละเราก็ต้อง จบให้มันได้เหมือนกันเนาะอย่างเราอย่าบงเอาตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปเป็นยึดมั่นถือมั่นในการกระทํานั้นๆเนะเพรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เนาะนทำไมเราบอกเขาไปแล้วเขาไม่เชื่อเนาะเพราะเราไปคิดว่าเราจะไปสั่งเขาได้เหรออันนี้คือเราตัวตนของเราเข้าไปไปผูกติดยึดมั่นเนาะ เราให้ไปแล้วก็ก็ต้องจบแบบนั้นที่มันได้อันนี้สติมันจะช่วยมากนะถ้าเราเกิดความไปยึดมั่นถือมั่นหรือเกิดความไปผูกติดในสิ่งที่เรากระทาผ่านไปแล้วนะมันก็จะทําให้เราย้อนกลับมาออจบได้อันนี้การทําดีๆก็เป็นแบบนี้หรือว่าแม้แต่การเผลอทําไม่ดีโดยไม่ตั้งใจก็ดีนะ หรือว่าอาจจะปฏิบัติทำไปแล้วบางทีมันก็จะย้อนคิดถึงถึงสิ่งที่เคยทำผิดทำพลาดนะทาไม่ดีขึ้นมาในใจเนาะนะมันอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกหรือบางทีก็รู้สึกไม่พอใจนะที่มันที่เราไม่น่าทำแบบนั้นนะหรือว่ารู้สึกไม่พอใจที่มันคิดบ่อยแลเกินนะหรือบางทีมันก็ บางทีก็เกิดอกุศลในจิตขึ้นบ่อยเหลือเกินเนา ะ, ะเราก็ต้องเพียงแค่รู้น ะ, ะไม่ว่าอากุศลจิตนั้นอาจจะเกิดจากเหตุในในอดีตก็ตามหรืออาจจะเกิดในปัจจุบันก็ตามนะมันก็แค่รู้มันเฉยเนา ะ, อ, ะอย่าไปปรุงว่าสังขารนี้เป็นของของเรานะ ใ ห, ให้มันทันนะั่นแหละนะเกิดความคิดเนะี่ยความคิดเรียกว่าสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาบางทีมันก็ปรุงแต่งแล้วกลายเป็นสุขเป็นทุกข์ต่อนะเอนะเป็นชอบใจเป็นไม่ชอบใจนะเราอย่าไปยึดนะว่าความปรุงแต่งนี้เป็นเรานะเป็นของของเราหรือว่าเวทนานะสัญญานี้นะ่ะมาเป็นของของเรานะ มันก็จะจบไปได้นะมันก็จะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เวียนไปเรื่อยนะนะเราก็ดูมันแบบนนีะ้ดูไฟไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบแล้วก็อย่าเผลอเอาอย่าเผลอเอาจิตไปยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆนี่แหละนะให้เราพยายามสังเกตนะในการปฏิบัติทำไอ้ตัว การยิดมั่นถือมั่นเนี่ยแหละเป็นตัวที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นมิตเตอร์บอกก็ได้นะว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วมันมีความก้าวหน้ามากน้อยขนาดไหนนะแล้วเราเกี่ยวข้องกับผู้คนกับการงานหรือว่าในปฏิบัติในรูปแบบก็ดีเนะี่ยไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวคล้ายๆเป็นแบบทดสอบนะหรือว่า มันก็เป็นเฉลยในตัวเองเนี่แหละว่าเรามีพัฒนาการก้าวหน้าขนาดไหนแ น, น่นอนมันมันไม่ใช่ว่าจะหมดง่ายๆหรอกการที่เรามีความหลงมีความเผลอ้าไปยึดนะแต่เราก็จะค่อย ๆ, ๆดูค่อยๆเห็นว่าเออถ้าเราปฏิบัติแล้วมันทีเออไอ้เรื่องราวที่เคยเครียดหรือเคยทุกข์มากๆนะถ้าเป็นเรื่องทํานองนี้นะ พอปฏิบัติไปเรื่อยมันก็เกิดความผ่อนคลายหรือเกิดความปล่อยวางกับเรื่องนี้ได้เ น, ะนาะนะนะได้มากขึ้ น, นอะไรประมาณนี้ยหรืออันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราบอกเออเราปฏิบัติถูกแล้วนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายนาเช่นมันไม่สบายาแล้วก็เห็นความไม่สบายของกายเป็นแบบนี้น จิตใจเป็นแบบไหนนะจิตใจเกิดความทุกข์ความกงังวลความห่วงนะความห่วงมากขนาดไหนนะแล้วก็สังเกตดูตัวนี้ก็ได้นะมันก็เป็นตัวตัวชี้วัดหรืออีกอย่างหนึง่งเมื่อเราได้ทราบข่าวหรือได้เห็นหรือได้รู้เกี่ยวกับเรื่องคนใกล้ตัวที่ที่เสียชีวิตนะที่จากไป จิตมันเกิดความวันไหวขนาดไหนนะยิ่งคนใกล้ตัวมากๆานกะจากไปนะจิตมีความวันไหวขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นคนตัวเตือนหรือว่าตัวทดสอบดูก็ได้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราการใช้ยิ้มเรามันพร้อมมากไหขนาดไหนเนาะนะบางเรื่องเราอาจจะพร้อมแล้วนะ บางเรื่องเราอาจจะยังไม่พร้อมนะเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้มันมากขึ้นนะเนาะเราก็จะได้ประมาทในในชีวิตจนะได้ประมาทในในร่างกายนี้เนาะร่างกายนี้มันมันเป็นดั้งของโลกจริงๆนะเอามันเป็นสิ่งที่ออ พร้อมที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาหรือบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะจากไปได้วันใดวันหนึ่งก็ไม่รู้นะเราอยากได้ประมาทในในร่างกายนี้นะแล้วก็อยากได้ประมาทในการนะทำสิ่งดีๆนะแล้วก็ฝึกฝนจิตนยะให้มันมีสติมีปัญญามากขึ้นนะยิ่งพวกเราเราก็ถือว่าดีนะเราถือว่า มาศึกษาปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะตั้งแต่อายุยังไม่มากกันนะก็ยิ่งดีนะก็จะได้เป็นโอกาสให้เราได้มีเวลาได้ทำงานตรงนี้ได้ได้เต็มที่นะเพราะว่าร่างกายมันก็ยังพอเอือเอ้ออํเนว้อให้เราได้ทำได้ได้ดีอยู่นะอย่างเราเห็นนะนบางทีพวงคนรอรอรอไม่ต้องทำงานแล้วหรือว่ารอ เรา อ, อายุมากๆแล้วค่อยมาปฏิบัติมันเห็นเลยว่าร่างกายมันไม่อื้อเลยนะจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยจะกินนั่นกินนี่ก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเราเองก็ยังพอพอใช้ร่างกายได้ดีอยู่นเนี่ยก็มาทำงรงเนี้ยดีแล้วนะแล้วก็ยิ่งถ้าเราทาเราก็จะเห็นว่าบางคนก็ทำมาหลายปีแล้วมันก็ยังมันก็ยังแบบล้มลุกคคานหรือว่า ก็ยิ่งเห็นงานที่เราต้องทําอีกเยอะนะใช่ไหมเราก็จะดูเออนี่แหละเออเรามาถูกทางแล้วนะเราเห็นกิเลสมันเยอะมากนะเห็นงานที่ต้องต้องฝึกต้องหัดอีกเยอะมากเนะี่ยเราก็เอาเอาเวลามาทำแบบนี้ตั้งแต่เนิ่นๆนนอะ่ะดีละแล้วก็ไม่ไมผัดบันประกันพุ่งเนาะทําไปเรื่อยๆทําไปทุกวันทุกวันนะ ทุกที่ทุกเวลาก็คือการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตใจทั้งนั้นนั่นแหละนถ้าเราพยายามแล้ล น, นึกแบบนี้ถ้า อ, อถ้าเกิดการเห็นการพัดทาคูญเสียต่างๆนะก็ยิ่งเป็นตัวเตือนเราเนี่ยให้เราไม่ประมาทในการในการใช้ชีวิตเนาะให้เราทําหน้าที่ตอเนี้ยแล้วการทําหน้าที่ตอนนี้ออนนของเราเนั่นแหละมันก็จะเป็นการ หน้าที่ที่สัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะอถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วเออสิ่งที่เราทําไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความตั้งใจจะเบียดเบียนใครเลยนะจิตมันก็เกิดความรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจขึ้นมาอันนี้ก็ดีแล้วนะอืมมันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้เปสมาธิขึ้นมาได้นะว่าเราไม่เบียดเบียนใครนะ การไม่เบียดเบียนนั่นแหละคือศีลอย่างยิ่งเลยนะศอลมังนะคือการไม่เบียดเบียนนะไม่คิดไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่นเนะี่ยจิตมันจะมีศีลนะมาเกิดศีลแบบนี้แหละมันจะเกิดความสมาธิจิตตั้งมั่นมีความสุขขึ้นมาสุขที่รู้สึกว่าเราไม่เบียดเบียนใครโดยคําพูดโดยการกระทํานำะหรือโดยจิตโดยใจนะ มันจะเกิดความปีติขึ้นมาในจิตจิตจะเกิดความตั้งมั่นแล้วจิตแบบนี้แหละมันจะทําให้ไม่ฟุ้งซ่านนะแล้วก็หรือถ้ามันฟุ้งซ่านมันก็จะเกิดปัญญาเห็นนะเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางนะไม่ว่าอากุศลบุญกุศลเกิดขึ้นมาเมื่อสติรู้ทันแล้ก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเนะี่ยมันก็จะเกิดความมัน เหมือนก็จะเกิดความคล้ายๆเห็นไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆค่อยๆซึมค่อยๆซักค่อยๆขัดไปเรื่อยๆเนาะคล้ายๆเหมือนกับเราซักผ้าเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆขยี้ค่อยๆซักไปเรื่อยๆนะสิ่งโสกปกมันถึงจะออกไปไอความหลงผิดไอความยิดมั่นในจิตมันก็เหมือนกันนะมันต้องค่อยๆให้จิตมันเห็นความจริงไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยจนทั่งมัน มันเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะแล้วก็ยอมปล่อยมันไม่ค่อยคือมันไม่ยอมปล่อยนะออแต่ก่อนมันก็รู้นะแต่มันไม่ยอมปล่อยมันยังอยากยึดเยอะเลมันเหมือนเด็กกันนะงอแงนะเอองอแงจะเอาให้ได้นะพ่อแม่เอาเหตุเอาผลอะไรก็ก็ไม่ฟังนะเออจิตของเราก็เหมือนกันนะมันก็งอแงมันก็ไม่ยอม ไม่าอปล่อยไม่ยอมวางสักทีนะแต่มันก็ต้องค่อยๆให้มันเห็นเกิดความเข้าใจนะมันถึงยอมรับนะเมื่อยอมรับมันก็ยอมปล่อยของมันเองนะนะก็ฝากไว้นะ